ตอนตอบคำถามธรรมะวันที่7พฤษภาคม2560กราบในมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัละยะมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนะาะเมื่อคืนก็ไม่ได้ดูหนังกันนะพระครูไม่รู้คิดถูกคิดผิดไปรื้หลังคากระเบื้องออกเ อ, เอาแผ่นเด็กมาใส่นะเราลืมคิดเรื่องนี้ เราคิดว่ารือทำใหม่มันจะไม่รั่วมันก็รั่วเหมือนเก่ า, เ, าเปนว่าหลังคาในศูนย์ไม่มีหลังไหนไม่รั่วถ้าถ้ามันไม่รั่วแสดงว่าไม่ใช่ศูนย์ปรลานคอย<ม>อก็ต้องก็ต้องทาใจเนา ะ, นะมีสองคถามแต่ก่อนจะถึงคำถามพ่อคูก็ขอแจ้ง สมาชิกในครอบครัวเราโตขึ้นทุกวันทุกวันนะก็ทุกอย่างต้องมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญว่าเปลี่ยนไปในทางที่เป็นอกุศลหรือเป็นกุศลถ้าจิตไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยเอากิเลตันหาบทานไปขับเคลื่อนให้มันเปลี่ยนแปลงมันจะเปนในทางอากุศลถ้าจิตมีปัญญามันจะเปลี่ยนแปลงในทางซึ่งเป็นกุศลกุศลก็คือว่าพวกเราได้สร้างทานบารมีมากขึ้น ก็แจ้งให้ทราบว่าพรุ่งนี้เจดโมงครึ่งตอนเช้าพวกครูเขาก็เข้ามาในศูนย์มาลงทะเบียนกันแล้ว8ดโมงครึ่งเริ่มเข้ามาในสารานีดูวิทยาพวกเราทุกคนก็ถือโอกาสตั้งแต่วันที่8 จนถึงวันที่สิบสองตอนเช้าเขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านนะคือชั่วโมงปฏิบัติเป็นปกติแต่จะมีสอดแทรกนะอย่างวันแรกวันที่แปดเนี่ย8 3ดโมงครึ่งดูวิทยาเสร็จแล้ว9กโมงครึ่งปฏิบัติโปรแกรมยืนเดินนั่งนอน1 0บโมงครึ่งฟังบรรยายธรรมนะสิบเอโมงครึ่งับประทานอาหาร12บสองโมงครึ่ง ฟังทมคือดูวิทยานะทุกวันสิบสองโมงครึ่งเนี่ยมีดูวิทยาแล้วก็ 14.00 นนปฏิบัติโปรแกรมสมาธิเวี่ยงส6บหพักผ่อนตามมัทยสัยส7บเจ็ 17, ประทานอาหาร น, นี่ครูเนาะพวกเราไม่ต้องไปรับประทานอาหารก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแอบดูเขาแล้วก็หิวเนาะคือครูเขาเขาสินห้าเนาะ แล้วก็ 18.30 สาูนอันนี้เขาเปลี่ยนเวลาเนาะสบแจสิห้ามั้งทำวัดเย็นปฏิบัติโปรแกรมน า, นานาจิตตังแล้วก็ฟังบรรยายทำคือเขาจัดโปรแกรมเขาต้องการให้บรรยายเยอะเอาเป็นว่าช่วงนี้สุรียนจันทาเราหยุดก่อนนะอยู่ในศาลานี่จนถึงสามทุ่มแล้ววันที่9ก้าก็เริ่มเป็นปกตินะ มีแต่ว่าตอนสิบโมงครึ่งก็ฟังบรรยายธรรมส2บสองสศ น, นก็ดูวิทยาแล้วก็กังคืน 20.00 น, น, นฟังบรรยายธรรมแล้วก็วันที่สิบนั้นเป็นวันวิสาขะบูชานะหกโมงครึ่งตักบาตรเจ็ดโมงครึ่งรับประทานอาหารเช้าเก้าโมงครึ่งปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนสิบโมง ครึ่งฟังรมบรรยาย 12.30 ดูว t ทแล้วก็กังคืนทำวัดเย็นเวียนเทียนเสร็จก็มาดูว t ทตอนที่เราบวชแล้วก็ไปทัศนศึกษาพี่เจียคิดว่าจะทำเสร็จนะเอาเปิดวันเราจะได้เห็นที่เราไปเมืองการไปไหนบ้างอันนั้นเป็น วันนั้นพี่แก้วเขาเอามาฉายเป็นภาพนิ่งนะอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวก็วันที่สบิบดก็เหมือนเก่าเนาะสิบโมงครึ่งฟังธรรมบรรยายเที่ยงครึ่งดูวิทยาแล้วก็ยี่สิบนอก็ฟังธรรมบรรยายส่วนตอนเช้าวันที่สิบสองนะ ก็ปฏิบัติธรรมดาตอนวันที่สองเช้าพ่อะรูต้องเดินทางไปกรุงเทพเพราะศูนย์กรุงเทพเราจัดอบรมสิบสองสบสามสี่มันข้ามกันนะพ่อครูก็ไปแต่เช้าอันนี้ก็แจ้งให้ทราบถึงเราจะเคยดูวีทีแล้วก็ดูอีกฟังทำบรรยายแล้วก็ฟังอีกนะมันจะได้แตกฉานขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าพ่อคูพูดแต่เรื่องเก่าๆพ่อครูก็งงอยู่พูดเรื่องเก่าๆ ก็ยังทาไม่ได้เลยจะไปฟังเรื่องใหม่ๆทำไมไม่รู้ธรรมะอีกกี่ล้านปีมันก็เรื่องเก่าๆมันมีเรื่องใหม่หรอกเรื่องใหม่ๆมีแต่นิทานทำเนาะหลักธรรมะมันก็มีแค่นี้แหละอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ฟังแต่เรื่องเก่าๆ ก, ก, ก็ทำให้มันได้นะเรื่องเก่าๆฟังกี่ครั้งก็ยังทําไม่ได้โอเคก็เข้าโหมดคำถามแรกนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เนาะทไงดีครับแก้ปัญหาไม่ตก คือว่าผมกับผู้หญิงคนหนึ่งในสำนักงานชอบกันแต่เราทั้งคู่ไม่โสดผมเวียงโดยการยืนวิ่งหมุนรอบตัวเองเป็นเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงแต่ก็ไม่หายทำมาสองเดือนแล้วช่วยถามพ่อครูให้หน่อยสิครับเป็นเพราะอะไรผมจึงไม่สามารถสลายอาการนี้ได้ทั้งทั้งที่ก็เวียงทิ้งตลอดอาการพอความคิด มันมาผมหลงคิดตามผมก็ปวดหัวเวียนหัวผมต้องทำไงต่ออยากหลุดพ้นจากอารมณ์รักใคร่นี้กรณีถามพ่อครูสงสัยกาุณานะเขาเขียนว่ากรณีสงสัยเมาหมาัดก็เลยเขียนผิดเนาะเมาลักเนาะกูให้หน่อยครับขอบคุณครับผมปวดหัว ส่งผลต่อบริเวณหัวใจหน้าอกอืดอัดเห็นไหมมันก็เป็นกรรมไงเนาะทั้งคิดก็ปวดหัวทั้งรักก็หนักหน้าอกก็หนักหัวใจเนาะปวดรอบศีรษะครับทุกได้รับคำตอบยังครับรอครับได้ถามพ่อครูให้หรือเปล่าครับรออยู่นะครับมันใกล้จะบ้าแล้วเนี่ย รอทั้งคืนพระพุทธองค์ก่อนบนรรลุธรรมก็เจอลูกสาวพญามาร น, นางตันหาลาคะจะบรรลุหรือไม่คืนนี้อาจเป็นไปได้ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> คนนี้ชอบค้ากำไรเกินควรเนาะแอบเป็นรักเขาเวี่ยงทิ้งตั้งแค่สองเดือนบอนยังไม่หายไปไหนเนาะแต่ความขอความกรุณาปกปิดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ อะไรทํานองนี้ของผมด้วยนะครับถ้าท่านจะตอบวันอาทิตย์ผมฝ่าอารมณ์นี้ไปไม่ได้เนาะถ้าจะตอบให้สั้นๆคือตายซะที่พ่ะครูบอกว่าตายซะตายจากความเป็นทาตของอารมณ์เนา ะ, นะอยากัรรล้ธรรมก็ตายซะนะตายจากความหลงมัน เนี่ยเห็นด้วยอยงรักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์อันนี้รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองทั้งคู่ไม่เป็นโสดนะนะอันนี้เขาไม่เรียกว่าเจริญมรคนะเขาเรียกว่ามรมากๆนะอันนี้มรมากๆนะก็ไม่ใช่ไปเหวียงอารมณ์นั้นทิ้งเหวี่ยงจนตายก็ไม่ทิ้งนะก็รู้เท่าทันอารมณ์นั้นนะ เวียงความหลงมันทิ้งเวียงความยึดมั่นถือมั่นทิ้งเวียงไปเรื่อยๆนะก็รู้ว่าไม่เป็นโสทั้งคู่มันผิดศีลไงนะก็เตือนเราว่ามันไม่น่าทำก็ก็อย่าไปทำอย่าไปใส่ใจมันอันนี้นะไปอินอยู่กับมันอินอยู่กับมันเพราะว่าบางทีเราหลงในอารมณ์นั้นนะอารมณ์นี้บางทีไม่ใช่เกิดชาตินี้นะมันเป็นเรื่องของอดีตความผูกพันตามมานะ แม้กระทั่งจบคนจบป ร, ริญญาเก้านะนะศึกออกมาแต่งงานนะอย่าไปเอ่ยชื่อเลยคนเพ่เชื่อปุ๊บดังทั้งประเทศรู้หร อ, อแต่งงานก็ไม่ได้ว่านะกินเหล้าทั้งอีกแล้วก็ไปมีชู้อีกเนี่ยรู้ศาสนาหมดเลยนะเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรละ่ะมันเป็นกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าที่ความผูกพันเดิมนะ ที่คนเรามันผิดศีลผิดธรรมเนี่ยเริ่มจากไอ้ตัวจิตปัจจุบันมันมีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็บวกวิบากกรรมเก่าด้วยนะเนี่ยพราะมันเห็นปุ๊บมีความรู้สึกผูกพันอะไรเนี่ยแล้วบวกเก่ากิเลสตัณหาที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็ใส่เข้าไปด้วยมันถึงเผลอไปผิดศีลไงนะตอนนี้ก็เอาศีลมาเตือนสติไปตัวเองไปช่วยก็รู้ว่ามันมันไม่ใช่คือความรักหรอกมันเป็นความหลง ถ้าเราลักเขาจริงๆเราจะไปทําร้ายชีวิตครอบครัวเขาทําไมนะเราจะไปทําให้เขาเดือดร้อนทําไมนะอันนี้รู้ทั้งรู้ น, นั่นแน่เพราะเนื่องจากว่าเราอินอยู่กับอารมณ์นั้นนะเวียงตัวเองออกจากอารมณ์นั้นไม่ใช่ไปเวียงอารมณ์นั้นทิ้งอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นอย่าไปให้นัยยะมันอย่าไปให้ความสําคัญมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแล้วก็ใช้วิธีห่างๆหน่อยหนึ่ง นะไม่งั้นมันอินเขาไปล่ะทุกคนผิดศีลก็เพราะเรื่องนี้นะรู้หมดละ่ะมีสติหมดเห็นไหมละ่ะมันทุกข์หรือเปล่าล่ะนะพออาการพอความคิดมันมาผมหลงคิดตามเนี่ยผมหลงคิดตามก็อย่าไปหลงสิความคิดก็รู้รู้ว่ารู้เท่าทันมันจะไปคิดตามมันเมื่อหลงคิดตามผมก็จะปวดหัวเวียนหัวนะผมต้องทําไงต่อก็คืออย่าไปคิด เราหลงคิดไงโลภโกรธหลงเนี่ยคือที่มาของทุกคิดก็คือมโนกรรมเห็นไหมอันนี้หลงคิดทีนี้อยากหลุดพ้นจากอารมณ์รักไข้นี้เห็นไหมหลงรักมันก็เลยทําให้ส่งผลต่อบริเวณหัวใจหน้าอกเห็นไหมพวกเราสังเกตนะพอเราเวี่ยงปุ๊บเราคิดปุ๊บมันจะหนักอยู่ตรงนี้เลยสังเกตนะนะพอหลงรักปุ๊บมันจะมาหนักอยู่ตรงนี้นะ่ะจนหัวใจ วายตายก็มีนะคนเราเนี่ยก็คือมันก็ทำให้เราเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมนะก็รู้แล้วอย่าทำสิเออแค่ง่ายๆททไอ้ถามว่าทำยังไงก็อย่าทำอย่าคิดอย่าไปอินกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นรู้เฉยๆรู้นะถ้าเรายังไม่แข็งแรงก็ห่างๆนะไฟฟ้าสองขั้วมันใกล้กันมันจะชอ็อต วิบากกรรมทั้งสองได้มันจะพุ่งใส่เนี่ยคนเราผิดศีลผิดธรรมแล้วสุดท้ายเนี่ยทำให้ทั้งสองครอบครัวมีปัญหาหมดนะโดยเฉพาะเราเป็นผู้ชายเนี่ยรักแค่ไหนเนี่ยก็อย่าไปทําร้ายเขาเนาะแล้วก็ทําร้ายเขาเราก็ต้องรับกรรมเห็นยไหมปวดหัวปวดหัวใจหนักหน้าอกแล้วก็ทําร้ายครอบครัวตัวเองอีกอันนี้กรรมหนักเนาะก็ฟังแล้วก็คําตอบคืออย่าทำโอเคไหม ไม่รู้ใครนะก็ไม่ให้บอกเอ่ยชื่ออะไรก็ไม่ได้เขียนชื่อมาก็ไม่เป็นไรอย่าไปจมอยู่กับอารมณ์นั้นนะไม่ใช่เราตั้งใจเวียงมันทิ้งเน่ยเราให้ความขันความสำคัญมันเราตั้งใจจะเวี่ยงมันทิ้งไม่ใช่เหวียงมันทิ้งเวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปหลงอารมณ์นั้นทิ้งไม่ใช่เวียงอารมณ์นั้นทิ้งนะรู้เท่าทันอารมณ์อย่าไปเป็นมันอารมณ์มีไว้ให้เห็น ไม่มีไวให้เป็นนะอารมณ์พวกนี้เกิดทุกคนมันเป็นของคู่โดยเฉพาะอยู่ในวัยอันนี้ต่างคนต่างไม่โสดแล้วของสัยมันเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะนะยิ่งต้องมีมีสติมีขันติอย่าอย่าพึ่งขันแตกก่อนนะถ้าไปสร้างกรรมลงไปปุ๊บเนี่ยนะคนจีนเ็าบอกอิซึจุเฉิงเชียนขู่เฮ่นก็คือว่าพลาดก้าวหนึ่งปุ๊บเผลอไปทำปุ๊บนี่มึงยาวเลย ไม่ใช่ยาวชาติหนึ่งนะข้ามภบข้ามชาติอีกเนี่ยก็เตือนว่าอย่าทํายิ่งรู้จักวิธีเวียงก็เวียงไม่ใช่ไปเวียงอารมณ์นั้นทิ้งอย่าไปให้ความสําคัญมันอันนี้เราทุกข์กับมันไงเพราะเราไปอินอยู่กับมันแล้วพยายามจะเวียงมันทิ้งอีกเนี่ยก็ไปเสริมกําลังให้อารมณ์นั้นมันแรงขึ้นแสดงว่าเราใส่ใจมันใช่ไหมก็เราสร้างขึ้นมาเองเออเพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ที่นี้มานั่งเวียงรู้เฉยเฉยอย่าไปให้ความสําคัญมันนะ แล้วก็เหวียงของเราไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เวียงอารมณ์นั้นทิ้งเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปหลงมันทิ้งเห็นไม้มก็ทําให้เห็นนะปวดหัวเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคุณสร้างมโนกรรมก็ปวดหัวนะคุณเอาเอาใจไปหลงรักเขาเนี่ยคุณก็หนักอกหนักใจนะรักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์ไอ้ที่เรามีอยู่แล้วก็ทุกข์มากมายัางวางไม่ลงเลยจะไปเพิ่มคดีความใหม่เนี่ยไม่ควรจะทำเนาะเห็นไหมรักมันทุกข์ นะเปลี่ยนความลับให้กลายเป็นความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาถ้ารักเขาจริงๆนี่อย่าไปแตะต้องเขาอย่าไปทำร้ายชีวิตคู่ของเขานะเราเป็นการสร้างกรรมหนักอันนี้ก็ฝากผ่านอากาศไปนะเขาคงนั่งฟังอยู่เนาะคืนนี้ฟังแล้วก็นอนหลับซะลืมมันซะนะ<ม>ก็อีกคำถามหนึ่ง ทำไมต้องทำบุญบุญบาปมีจริงหรือพิสูจน์อย่างไรดีถามมาตรงตรงก็ตอบตรงตรงถามแบบนักวิทยาศาสตร์แต่ยังไม่ยอมทําแบบวิทยาศาสตร์นะคือยังไม่ยอมหาทางพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองนะคือคือโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยชอบมักง่าย ชอบหาคำตอบด้วยการถามนะไม่ชอบค้นคว้าทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองนะมันชอบหาเหตุผลแบบตกกะด้วยหาคำตอบด้วยคำถามนักวิยาที่แท้จริงนั่นต้องหาคำตอบด้วยการค้นคว้าวิจัยพิสูจน์ด้วยตัวเองจึงสรุปว่าใช่หรือไม่นะพวกครูก็ เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะสีิปีวิ่งไปตามโลกไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นะเรื่องบุญบาปเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องเวียนไหวาตายเกิดบาปบุญคุณโทษไม่ถึงขนาดว่าต่อต้านแต่ไม่เคยไปสนใจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะถ้าเชื่อเรื่องบุญบาปพ่อครูก็ไม่ผิดศีลไงศีลห้าบอกไม่ทําอะไรทั้งหมดเนาะเพราะตอนนั้นเรา เราไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้ด้วยชีวิตเราถูกสอนให้เรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆให้สร้างฐานะรวยแล้วจะมีความสุขแล้วก็มุ่งมั่นมากเราจะมีเวลาไปยุ่งยิ่งเนี่ยก็เหมือนคำถามเขาแหละเหมือนว่าทำบุญทำไมนะบุญบาปมีจริงหรอตอนนั้นเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะเราเป็นเราคาคอมพิวเตอร์ เราต้องการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเรื่องมาพูดเรื่องบุญเวียนว่า้ตายเกิดบาปบุญคุณโทษมันเหมือนมันห่างไกลอ่ะเหมือนเหมือนมันจับต้องไม่ได้อ่ะนะาะครู ก, ก็ไม่ใช่ปฏิเสธหรอกเอาเป็นว่าไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนี้อ่ะนะนะก็แต่พอมันเกิดขึ้นกับตัวเองนะเราเข้าใจว่าเมื่อรวยแล้วทุกอย่างก็จบชีวิตเรามีแค่นี้ เามีหน้าที่ชีวิตต้องสู้เลี้ยงเก่งๆหาเงินเยอะๆสู้สู้ ส, สู้เมื่อเงินรวยแล้วมันก็จะได้มีความสุขเราเรารู้แค่นั้นไงแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เกี่ยวเนาะถ้าเชื่อบุญบาปแน่นอนต้องไม่กล้าผิดศีลสี่สิปีทีนี้ช่วงที่มันพลิกจิตที่มันเกิดอาการระเบิดอะนะนั่นะมันเปลี่ยน แปงชีวิตมันเปลี่ยนจากคนคิดมากไม่ใช่คิดน้อยนะคนคิดมากจนไม่มีไม่คิดเลยแล้วมันก็สัมผัสสัจธรรมสัจธรรมความจริงว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่ใช่ตอนนั้นไม่รู้จากคำว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาด้วยมันไม่รู้ภาษาพุทธอ่รู้แต่ว่าอะไรก็ไม่ใช่นะเราเราสัมผัสความเบาความว่างทีนี้จากวันนั้นอะ ไม่เกณฑ์หายลกเพาะหายกินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ไม่โกหกเพราะมันระเบิดไอตัวอยากมันหายไปนะมันไม่ต้องถือศีลแต่มันก็รู้ว่ามันก็เลิกเอง เ, เราเราถึงเข้าถึงว่าโอ้ถ้าบุญไม่มีจริงเนี่ย คนอย่างเรานี่40ปีวิ่งไปตามโลกไม่มีศีลห้าเลยเนี่ยมันเกิดบรรูุทําได้ยังไงนี่ไงมันทำให้เราเห็นน่ะบุญมีจริงเพราะชาตินี้40่ปีเนี่เราก็ไม่ใช่คนใจบุญอะไรมากมายแต่ว่าไม่เคยรังแกใครนะคือคือเป็นนิสัยว่าขอมาให้เลยน่แหละไอ้เรื่องทานนี้แรงมากนะทานจน คนข้างตัวกลัวว่าจะหมดเนื้อปวดหมดตัวเลยล่ะเรามีตัวนั้นแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรมันเป็นคนใจใหญ่นักเลงเรียกพี่ไอ้ตัวนั้นคํายันเราแต่เราไม่มีศินห้าทีนี้เราเบิดปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนความคิดมันไม่ได้คิดเลยแต่ว่ามันไม่ทําชั่วแน่นอนมันจินเหล้าก็ไม่ได้ซูบุรีก็ไม่ได้ตีกรอบก็ไม่ไปเคยพราครูยิงปืนแม่นนะนะพ่อครูชอบล่าสัตว์เลยนกไก่แค่ไหนก็ชั่งก็ล่วงนะ เราเราเอาสัตว์นี่มาเป็นมาเป็นเป้าเพื่อความสนุกสนานนะตอนนั้นปืนอยู่หลังรถเต็มเลยเนี่ยแจกเข้าไปหมดถุงก๊อบก็ให้เข้าไปคือมันหยุดเองเราถึงรู้ว่าโอ้บุญเก่าทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีบุญเก่าแล้วมันเป็นไปไม่ได้ศีลห้าก็ไม่มีนั่นแหละต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่คำถามมาก็ตอบไปได้แค่นี้นะฟังเราก็อาจจะเข้าใจแต่ไม่เข้าจิต สมองรู้แต่จิตไม่รู้นะอยากรู้ว่าบุญบาปมีจริงหรือไม่นะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองมันเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนนะทีนี้พอฟังพ่อครูพูดฟังพูดรู้พูดมันก็เข้าใจไม่เข้าจิตนะจิตมันยังไม่ยอมรับโดยดุษดฎดีมันก็วางไม่ลงมันก็ผิดศีลอีกมันก็โกหกอีกเพราะอยากได้ของเขาเห็นไหม มันก็ขโมยของเขาเพราะมันอยากได้ของเขาเพราะว่ามันเข้าใจมันไม่เข้าจิตแต่ถ้าจิตเราเข้าถึงแล้วเนี่ยจิตมันสัมผัสอันนี้จังทุกขังอนัตตาโดยดุษฎีดุษฎีก็คือว่ายอมรับว่าเออมันมันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ของใครทั้งนั้นะนะเป็นอนัตตานั่นแหละตอนนั้นมันจะเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องกฎแห่งกรรมนะอันนี้ พวกเรากำลังทำอยู่นะคำตอบที่เกิดจากคำถามที่เราเขาตอบเรามาเี่ยมันก็แค่เข้าใจมันไม่เข้าจิตนะต้องลรปฏิบัติเองมันจะเกิดศรัทธาด้วยตัวเราเองถ้าพราครูไม่เห็นชัดขนาดนั้นเราจะทิ้งทุกอย่างที่หามาตลอดชีวิตเนี่ยได้เหรอเออนะ่นอีกเรื่องหนึ่งเราเบื่อหาเงินแล้วนะแล้วก็เผอไปสร้างครอบครัวแล้ว เอาลูกน้อยสองคนจากเมืองนอกนี่ยมาอยู่ป่าแล้วมาทําอะไรบ้าๆบอๆไม่รู้ไม่หาเงินก็ไอโยนเงินทิ้งที่มีอยู่ทิ้งไปหมดเลยถามว่ามันทําได้ไหมมันไม่ใช่บ้ามันไม่ใช่อุดมการณนะ์นะนะมันเมื่อมันเข้าถึงธรรมะตรงนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่ใช่ของเราเห็นไหมล่ะศูนย์นี้ก็ไม่ใช่ของเรานะแต่เราเรียกว่าศูนย์ของเราเป็นภาษาพูดว่าเออของทุกคนเรามีหน้าที่ดูแลมัน แล้วก็ใช้เครื่องมือตรงนี้เนี่ยทำให้เราพัฒนาต่อไปนะคำว่าพัฒนาของพวกเราก็คือไม่ใช่หลับหูหลับตานั่งสมาธิเจริญสติอย่างเดียวนะไม่ใช่อยู่ศาลาอย่างเดียวยี่บสี่ชั่วโมงเราใช่ไหมเราให้ทานใช่ไหมช่วยกันดูแลเด็กๆนี่ะ น, นี่คือการพัฒนาจิตของเราทานศีลภาวนา บางคนอยู่รุ่นแรกๆนะโอ้อยู่สุขสบายดีเงียบดีเพ่อครูหาเรื่องเอาคนมาเยอะแยะเลยวุ่นวายจังเลยเนี่ยอันนี้คือคนที่ไม่พัฒนาไม่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงคือให้ไม่ได้มีแต่เอาความสุขส่วนตัวฉันเงียบดีสบายฉันอุตส่าห์หนีความวุ่นวายมายัางมาสร้างความวุ่นวายขึ้นมาอีกเดือนนะมันจะวุ่นวายที่ไหนมันสนุกดีนะทั้งหมดก็คือเราไม่มีเมตตาเราให้ไม่ได้ มันก็สร้างเงื่อนไขมันอ้างโน่นอ้างนี่อ้างโน่นอ้างนี่เราก็เลยไม่ก้าวหน้าไงนะถ้าเราตั้งมั่นศรัทธาในเส้นทางเส้นนี้แล้วไม่ต้องอ้างายิ่งดีใจขอบคุณพระครูอีกเนี่ยจะ เ, เอาความวุ่นวายมาให้เราแบกนั่นแหละเราจะเก่งไม่ใช่ไปหนีในป่าคนเดียวนั่งเงียบสงบจิตสงบอารมณ์นั่นเสพสู่คนเดียวนะนะเดี๋ยวออกมาก็วีนอีกนี่คือการปฏิบัติธรรมนะการให้เนี่ย ทานศีลภาวนานะทานศีลภาวนาแน่นอน4ี่ปีเพราะครูหลังจากรีวายไปดูมันเกิดขึ้นได้ยังไงโอ้เราอยู่ได้ด้วยกันให้ทานเนี่ยแต่แล้วตอนนั้นเราไม่รู้คำว่าทานมันคืออะไรมันเป็นนิสัยเราแล้วก็รีวายเจาะไปได้หลายชาติเลยมันมาเกิดมาได้ยังไงมาถึงมาเกิดเป็นคนที่ชื่อว่านยบัญชาเนี่ยมันไม่มีศีลห้าเลยทาไมมันระเบิดอ๋อศีลไม่ใช่ศีลห้าแบบนี้นะ ศีนคือความปกติของจิตมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่รู้ว่าศีนห้าคืออะไรมันก็เดินไปตามกระแสสังคมแต่เขามีเจตนาที่จะโกหกเพื่อหลอกลวงเขาไม่พูดความจริงเป็นแค่เทคนิคแล้วก็เราไปดูแล้วว่าเฮ้เราก็มีศีลอยู่แล้วเราไม่เคยเอาเปรียบใครเลยเห็นไหมเราก็เที่ยวเตะตามภาษาคนหนุ่มแต่ไม่เคยไปหลังแกใครเนี่ยเหมือนว่าอันนี้ยังรู้ว่าต่างคนต่างไม่สวรจะไปทําด้วยอันนี้อันนี้อยากกระทํำนะ เพราะครูถึงจะไม่มีศีลห้าแบบนั้นนะพราก่ครูไม่เคยทำแบบนี้นะ ม, นมันมันมีศีลอยู่แล้วนะก็นิชทีเอาตัวอย่างเป็นที่ตั้งนะว่าตัวเองเนี่ยก็ผ่านมาแล้วตอนนั้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญเหมือนกันก็เข้าใจคนที่เขาถามเนี่ยนะนะักวิาสาการเขาต้องการพิสูจน์ได้ด้วยตาเนื้อช่างตวงวัดได้ไงไอมาพูดลอยๆบาปบุญคุณโทษนะเขาก็ไม่เชื่อ ก็ก็คำตอบสั้นๆว่าทุกคนสามารถพิสูจน์ว่าบุญบาปมีจริงได้ด้วยตนเองนะมันเป็นปัจจตังนั่นแหละนะนักว so ิทยาศาสตร์ที่แ้จริงอย่าเพิ่งสรุปว่าเชื่อหรือไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์เมื่อผู้เจ้าบอกท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยเรากำลังพิสูจน์กัน แต่ระหว่างเดินทางนี่อย่าพึ่งสรุปนะมันเบื่อมาว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่หรอกก็เลิกอย่างนี้นะอย่าพึ่งทำให้ไปถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยสรุปนะก็เรากำลังทำกันอยู่ทีนี้ก็ยกตัวอย่างว่าทำไมเกิดมาเป็นลูกฝาแฝดไ ล, ไล่ไล่กันมาเลยดเเหมือนกันเลยไอ้นี้ขี้แยนี้ไม่ขี้แย ไอ้ น, นี่ไอคิวสูงไอ้ น, นี่ไอคิวต่ำเออไอ้ น, นี่ขาเป๋ไอ้ น, นี่ขาดีถามว่าทำไมเป็นเพราะอะไรทำไมเกิดมาพ่อเป็นเศรษฐีพันล้านทำไมเกิดมาพ่อเป็นขอทานนะอันนี้ก็ทำไมนะบางทีคนนี้เกิดมาเนี่ยมีแต่คนเมตตา บางคนเกิดมามีตะคนรังแกนัก ว, วิยาศาสตร์ตอบสิาทำไมนะพระเจ้าที่ไหนกําหนดให้เป็นอย่างนี้ทําไมพระเจ้าเลือกที่รักมากที่ชังให้คนนี้สมบูรณ์คนนี้ไม่สมบูรณ์นะพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเหรอพระเจ้าเป็นไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆพระเจ้าไม่มีเลือกที่รักมากที่ชังและพระเจ้ากําหนดชีวิตเราก็ทุกคนก็ไม่ได้นะกรรมเป็นตัวกําหนดแล้วกรรมเป็นตัวกําหนด กรรมเอาอะไรมากําหนดเอาอะไรเป็นตัวกําหนดว่าให้คนนี้ไม่สมบูรณ์คนนี้สมบูรณ์เอาบุญกับบาปที่เราสร้างมาเป็นตัวกําหนดไอ้กรรมนี่เป็นตัวทําบุญไอ้กรรมตัวนี้เป็นตัวทําบาปมันก็ส่งผลเห็นไหมละ่ะทีนี้พิสูนได้ยังไงก็กำลังพิสูนอยู่นะแล้วก็ไปรีวายดูว่าอาดีตกรรมเราสร้างอะไรไว้นี่เราก็จะเห็นเรื่องบุญบาปเห็นเรื่องกฎแห่งกรรมนะกรรม คือการกระทำการทำดีเขาเรียกว่าบุญการทำชั่วเขาเรียกว่าบาปนะะที่ที่เราทำกรรมนั้นเป็นเพราะเรามีกิเลสนะกิเลสทาให้เกิดตัณหาใช่ตัณหาความอยากก็ททำให้ไปสร้างกรรมนะเมื่อสร้างกรรมปุ๊บจิต ก, ก็บันทึกสัญญาว่าเราทำอะไรไว้ถึงเราจะตายแล้วเราเกิดใหม่ไอ้โปรแกรมสัญญานี้มันก็ตามไป นะอันนี้สำหรับพวกครูยืนยันว่าบุญบาปมีจริงแน่ๆถ้าบุญเก่าพรกครูไม่มีเนี่ยคงไม่มีสิทธิ์มานั่งอยู่ที่นี่นะเพราะบุญชาตินี้40ปีเพิ่งไปตามโลกก็ไม่ได้ไปรู้ว่าบุญคืออะไรด้วยนะก็ทุกๆผิดๆถ้านอานรยโลกทุกๆบ้างผิดผิดบ้างแล้วอะไระที่ทำให้เราปลดปล่อยตัวเองได้นั่นแหละบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันเนี่ยคือผล กรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันก็คือผลกรรมเก่ากรรมเก่าทางด้านลบก็เรียกว่าบาปบาปเก่ากับบาปใหม่ก็คือผลนะอย่าไปโยนให้กรรมเก่าฝ่ายเดียวเนี่ยกรรมปัจจุบันเนี่ยส่งผลนะพราะครูต่อยอดนั่งวิปัสนาแค่สามชั่วโมงเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งสุดท้ายเห็นไหมแต่ตอนที่มันถึงตรงนี้เนี่ย เปีสุดท้ายเนี่ยมันใช้นี่กรรมมันทุกมากเห็นไหมมันทุกมากพอมันกําลังสูสีแล้วเนี่ยเราบวกตรงนี้เข้าไปแค่สามชั่วโมงปุ๊บมันส่งส่งผลเลยเห็นไหมมันก็ส่งผลเลยเนะเราก็เห็นด้วยตัวเราเองตอนนี้พูดคําว่าเชื่อไม่เชื่อมันหยาบไปแล้วบอกไม่เชื่องูก็ไม่มีขาแล้วบอกเชื่องูก็ไม่มีขานั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่อมันเป็นเช่นนั้นเอง นะเพราะกูก็ยืนยันแต่ถ้าฟังเฉยๆอย่าเพิ่งเชื่อถ้าอยากลองก็ปฏิบัติเดี๋ยวเราจะมีคำตอบด้วยตัวเราเองล้วจะเกิดศรัทธาด้วยตัวเราเองเราศรัทธาครูบาอาจารย์พูดก็เออก็เชื่อระดับหนึ่งเพราะว่าไหนกิเลสตัวโตๆมาปุ๊บศรัทธาคอบงำหมดลืมเลยกูหิ้วกระเป๋าไปดีกว่านะแต่ถ้าเราศรัทธาด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยเอาค่าทิง้งฉันก็ไม่ไปไหนนะ ดึงให้พ่อกรูไปทำอาชีพอื่นไปเป็นนักการเมืองเธอฆ่าฉันเธอฆออ่าฉันตายดีกว่านะฉันจะสร้างกรรมไม่ได้อีกต่อไปนะถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่คำว่าเชื่อบุญบาปนมันยิ่งกว่าเชื่ออีกไม่เชื่อมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะทีนี้ก็ขอยกตัวอย่างอันหนึ่งจะมองภาพชัดอันหนึ่งเนาะ มันก็เป็นนิทานธรรมหนึ่งนะแต่ น, นิทานธรรมนี้อิงของจริงนะโดยเฉพาะถ้าจิตเราสามารถละลึกชาติรีวายไปในอดีตเราจะเห็นสิ่งนี้นะมีเสรษจีท่านหนึ่งเป็นคนใจบุญมากแ ต, แต่ชอบทำทานแจกทานคนจนนะวันเกิดทุกครั้งเขาก็ให้ลูกน้องเขาไปเช็คในชุมชนเราเนี่ยมีคนจนกี่คน ลูกน้องก็ไปเช็คนับนับนับนับมาประกาศทุกคนมาออกมาหมดนับไปนับมาได้500คนแต่มันมีอีกคนหนึ่งเนี่ยมันแอบอยู่นะไอคนนี้เป็นคนขี้เกียจนะเป็นคนกลัวว่าเขาจะใช้งานเป็นกลัวว่าเขาจะเรียกให้ไปทำงานส่วนรวมมันก็แอบฟังมันไม่ออกมาทีนี้ลูกน้องเศรษฐีก็ไปรายงานว่ามี500รคนเศรษฐีก็บอกสั่งนะจัดของที่จะแจกทานเนี่ย สามวันนะสามวันเตรียมพันห้าร้อยชุดนะวันหนึ่งแจกห้าร้อยชุดอ้าพวพรุ่งนี้เช้ามาแล้วเขาก็มารอเรียงแถวกันไอคนนั้นมันได้ยินไว่าตั้งพันห้าร้อชุดโอ้เป็นรอทำไมเสียเวลาเห็นไหมมันก็แอบมาคนสุดท้ายที่นี้ลูกน้องเศรษฐีก็จัดมา500ร้อยชุด ก็แจกตั้งแต่คนเบอร์หนึ่งไปถึงห้ารอไอ้คนสุดท้ายมันไม่ได้มั น, มนเป็นคนห้าร้ยหนึ่งไงอาพวกนี้มาแจกอีกตอนนี้มันรู้แล้วว่าเออมันต้องมาแต่เช้าก่อนเพื่อนเข้าใจไหมมันก็มานั่งตั้งแต่ตีสี่เลยอยู่ก่อนเพื่อนนะนะแล้วพวกนั้นก็มาปุ๊บยางเหลวทีนี้เศรษฐีเขาก็จําได้ให้เมื่อวานนี้คนสุดท้ายมันไม่ได้เขาก็แจกคนสุดท้ายก่อน แจกมาถึงข้างหน้าไอ้นี่ก็ไม่ได้ยิ่นะเพราะเขาจัดวันนึงมาเพราะมันต้องเดินทางเพราะเสถียเป็นคนระเบียบบินนายมากต้องเพะเพะเลยนะอ้าวพรุ่งนี้วันที่สามไอ้หมอนี่บอกว่าอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้ข้างหน้าได้มันมาอยู่ตรงกลางวันนั้นบังเอิญเสฐีก็ไปเดินเจอเออออกมาจากบ้านไปเจอคุณนายเนาะเออชวนคุณนายมาทําบุญด้วยไงก็แบ่งเป็นสองครึ่ง ครึ่งหนึ่ยหาคุณทางธุรกจคุณนายแจกจากข้างหน้าเศรษฐีจากข้างหลังไอ้ไอนี่มันอยู่ที่251มันก็ไม่ได้อีกทําไมมันเป็นอย่างนี้อดีตมันเคยเกิดเป็นคนรวยแล้วความรวยของมันคือเอาเปรียบคนจนอ่ะรวยแล้วไม่เคยแบ่งปันเลยมันจึงเกิดมาเป็นคนจนและเป็นคนจนไม่มีสิทธิ์รับทานไอ้คนพวกนี้ตายไปแล้วเป็นเปรต นะเป็ดเนี่ยตัวสูงยาวมากนะแต่ปากยังกระลูเข็มเลยกินอะไรก็ไม่ได้อันนี้แหละคือบุญบาปแต่เราพูดอีกก็มีสิทธิ์เชื่อไม่เชื่ออย่างไรไงนอกจากเรามาปฏิบัติแล้วเข้าไปเห็นเองนะพิสูจ์ได้นะโดยเฉพาะพุทธศาสนาโดยพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ท้าทายพระองค์บอกว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ทุกคนทำได้อยู่ที่ว่าเอาไหมเอาจริงไหมนะอย่าทำเล่นนะเราแอบไปขโมยของคนอื่นคนอื่นไม่รู้นะจิตบันทึกไว้แล้วแล้วมันแปลกไม่สามวันเนี่ยอะไรทำให้มันไปยู่ตอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ได้ ไ, ดไหมใครทำให้มันเป็นแบบนั้นเพกพวกรรมที่มันสร้างมาทาให้มันไม่รับมันรับฐานนี่คือเปรตอยู่ในร่างมนุษย์ แล้วเกิดมาเป็นคนจนแล้วยังอวดดีแค่ว่ายังขี้เกียจ ก, กว่าคนอื่นอีกไม่อยากทํางานส่วนรวมนะมีแต่แอบจเจ้าเปรียบคนอื่นนะ่ยเห็นไหมมันก็หาว่าคนอื่นโง่นะวันแรกมานั่งรอทําไมมีตั้งพันห้ารชุดเนี่ยกูเป็นนักกูมามาบวยกูก็ได้เห็นไหมสุดท้ายบวยก็ไม่ได้ไมะเขาคิดว่าเขาฉลาดไงวันที่สองมาเช้าก่อนเพื่อนมาอยู่ที่หนึ่งเลยเนก็ไม่ได้อีกเขาแจกจากข้างหลังมาน มันก็มันฉลาดอีกเงินถั่วก็ไม่ได้มาเอาอยู่ตรงกลางเลยบังเอิญมันกรรมของมันที่สร้างมาไปยืนอยู่ที่2 5 1เห็นไหมคุณนายเขาก็แจก250ถ้าท่านนก็250มันก็ไม่ได้อีกเไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นเลอยๆนะมันมีเหตุของมันทั้งนั้นแหละเออบางคนเราเกิดมาเออนี่มันดวงดีนี่ดวงไม่ดีดวงมันเกิดมาจากอะไรฮะพระเจ้าที่ไหนกาหนดให้คนนี้ดวงดีคนนี้ดวงไม่ดี พระเจ้าทำไมเลือกที่รักมากที่ชังพระเจ้าไม่กระทาอย่างนั้นเพราะกรรมที่เราสร้างมาบุญบาปที่เราสร้างมานะอันนี้เรื่องจริงนะพราะครูถึงบอกว่าเรามีโอกาสแล้วอย่าเผอเนี่ยนี่ดีแล้วละ่ะอุตสาถามมาถามแล้วก็บอกไปคําตอบง่ายๆก็คืออย่าทําอย่าไปให้ความสําคัญอารมณ์นั้นมันเกิดอารมณ์มันเป็นบางทีอารมณ์เก่าเรานะมันสปาขึ้นมา นะแม้กระทั่งคนเรียนรู้ศึกษาพุทธธรรมแล้วบังเอิญก็ะเพอไปเป็นเป็นชูผิดลูกเมียเขาก็มีเพราะว่ามันมันเป็นกรรมเก่าแล้วเราไม่มุ่งมัมงม่นปฏิบตัติคือล้างน น, นมันทิ้งนะสร้างกุศลรรจิตให้กุศลมันมากกว่าบางทีเราล้างกรรมเก่าไม่หมดหรอกไม่มีทางหมดเราหนีเพ่นมันหนีเลยเหมือนองคุริมานเนี่ยเห็นไหม ไปเผือฆ่ามาเก้าอยเกในชาติสุดท้ายน่ะเห็นไหมถ้าไม่มีบุญเก่าไม่ได้เจอพรุทธเจ้าเห็นไหมไอ้กรรมที่มันท่าไปแล้วแต่ว่าบุญมันผุดขึ้นมามันก็ได้มีโอกาสเจอพระุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดคําเดียวว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดแค่นี้องค์คุริมาลก็สว่างขึ้นมาเห็นไหมนี่แหละองค์คุริมาลฝ่ายบุญบุญเก่าบวกบุญใหม่ที่ได้พบพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้หลุดพ้น ก็หนีกรรมแต่หนีไม่ใช่กรรมมันหมดนะไปบินทบ่าลแล้วก็ถูกลูกเมียเขาเอาหินคว้างปาหัวล่างข้างแตกหมดแต่องคุริมานไม่ทุกแล้วก็ต้องรับกรรมนั้นกระทบไม่กระเทือนแล้วเมื่อไหร่ที่เราละสังขารแล้วเนี่ยจิตองคุริมานก็ไม่ต้องมาเวียน่ายตายเกิดในสามโลกธาตุนี้วิบากกรรมมันก็ไล่บีเราไม่ได้นะพาะครูยืนยันว่าบุญบาปมีจริง นะแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกใครอยากลองไหมใครอยากลองไหมยกมือขึ้นใครอยากจะลองจะเห็นบุญบาปนะลองไหมง่ายๆนะเดินไปนี่เนี่ยเดินไปก็ตบหน้าเขาเลยแรงๆดูว่าเขาจะว่ายังไงเขาจะหัวเราะให้เราไหมดีไม่ดีไม่ตบเมื่อคืนนะมันถีบมันเตะด้วยไนงะนั่นหละคือผลของมันไง แต่ถ้าเราพูดกับเขาดีๆใช่ไหมเขาก็รักเราไงนี่คือบุญบาปก็ก็คือกรรมก็คือการกระทําการกระทําดีก็เป็นบุญการกระทําชั่วมันก็กลายเป็นบาปเนาะมันมีจริงเนาะก็วันนี้ก็เอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็จะได้ปฏิบัติกันโอเคนะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเข้าค่ายก็เหมือนไม่เข้าค่ายหรอกพวกเราเป็นปกติอยู่แล้วเนาะแต่ถือโอกาสนี้เนี่ย